ธรรมบทแปลเรื่องที่164เรื่องเทา้าสกะข้อความเบื้องต้นประศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเวลุวคามทรงปรารบเทา้าสกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสาหุดัสนังเป็นต้นความพิสดารว่าเทา้าสกะเทวราช ทรงทราบความที่พระอาพาธมีอันเล่นไปแห่งพระโลหิตเป็นสมุดฐานเกิดขึ้นแล้วแก่พระตถาคตในเมื่อพระองค์ทรงปรงอายุสังขารแล้วทรงดำริว่าการที่เราไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วทำกีฬานุปถากย่อมควรทรงละอัถภาพประมาณสามคาวุฒเสีย เข้าไปเฝ้าพระสัสดาถาวายบังคมแล้วทรงนวดพระบาทด้วยพระหัตถ์ทั้งสองครั้งนั้นพระสัสดาตรัสกับเท้าส ก, กะนั้นว่านั่นใครเท้าส ก, กะข้าพระองค์คือเท้าส ก, กะพระเจ้าข้าพระสัสดาท่านมาทาไมเท้าส ก, กะ มาเพื่อบำรุงพระองค์ผู้ประชวรพระเจ้าข่าพระสัสดาเทา้าสกะกลิ่นมนุษย์ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพที่ปลูกไว้ที่คอตั้งแต่หนึ่งร้อยโยชน์ขึ้นไปท่านจงไปเถิดภิกษุผู้กีฬานุปัมภ์ของเรามีเทา้าสกะ กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ดำรงอยู่ในที่สุดแห่ง 84,000 โนสยอสูดกลิ่นแห่งศีลของพระองค์มาแล้วข้าพระองค์นี่แหละจากบำรุงแล้วไม่ให้บุคคลอื่นถูกต้องภาชนะพระบังคนหนักของพระศาสดาแม้ด้วยมือทรงทูลไว้บนพระเสียนทีเดียว นำไปอยู่ไม่ได้กระทำแม้อาการสักว่าสิวพระพักได้เป็นดุดนำภาชนะของหอมไปเท้าเธอทรงปฏิบัติพระสัสดาอย่างนี้แล้วในเวลาพระสัสดามีความสำราญนั่นแหละจึงได้เสด็จไปตอนภิกษุสันเสริญเท้าส ก, กะ ภิกษุประชุมพูดกันขึ้นว่าน่าสรรเสริญเท้าส ก, กเทวราชมีความเสนหาในพระสัสดาเท้าเธอทรงละทิพยสมบัติเห็นปานชนีเสียทรงนำภาชนะสำหรับรองพระบังคนหนักของพระสัสดาออกไปด้วยพระเสียรหาทรงทำพระอาการมาดว่าสยิ่วพระพักไม่ตุดบุรุษผู้นำภาชนะ อันเต็มด้วยของหอมออกไปอยู่ฉะนั้นได้ทรงกระทำอุปถากแล้วพระสัสดาทรงสดับถอยคาของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันครั้นภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ข้อซึ่งเท้าสกกะเทวราชทำสเสนหาในเรานั้นไม่น่าอัศจรรย์เพราะเท้าส ก, กัดเทวราชนี้ฟังรรมาเทศนาแล้วเป็นโสดาบันและความเป็นเท้าส ก, กัะชราถึงความเป็นเท้าส ก, กัะหนุ่มเหตุอาศัยเราแท้จริงเท้าเธอเสด็จนั่งในถ้ำกลางเทพบริษัท ะอินทศาลาคูหาในการเมื่อตนถูกมรณะภัยคุกคามทำคนทันเทพบุตรชื่อปัญจสิกขะข้างหน้าเสด็จมาเราได้กล่าวว่าบุตรชวาสวมังปัญหังยังกินจิมานสิชสิตัสสะตัดเซวะปัญหัสะอหังอันตังกรโรมิเต ดูก่อนท้าววาสวะท่านจงถามปัญหากับเราท่านปรารถนาปัญหาข้อใดข้อหนึ่งในพระไทยเราจะทำที่สุดแห่งปัญหานั้นๆของท่านได้แน่แท้เมื่อจะทรงบรรเทาความสงสัยของเท้าเธอจึงได้แสดงธรรมเทศนาในการจบเทศนาธรรมพิสมัย ได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายมีประมาณ14โกรธส่วนเท้าส ก, กัเทวราชบรรลุโสดาปติผล์ตามที่นั่งประทับแล้วนั่นเองเป็นเท้าสั ก, กะหนุ่มแล้วเรามีอุปการะเป็นอันมากแก่เท้าสักกเทวราชนั้นด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าความศีลิหาในเราของเท้าสักกดเทวราชนั้นไม่น่าอัศจรรย์ ภิกษุทั้งหลายก็การพบเห็นเหล่าอริยบุคคลก็ดีการอยู่หน้าที่เดียวกันกับเหล่าอริยบุคคลก็ดีให้เกิดสุขแต่ว่ากิจเช่นนั้นกับพวกคนพานให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นแล้วจึงได้ทรงภาสิทธิประคาถาเหล่านี้ว่าซาหุด ah ัสนะมริยานังสันนิวาโซสดาสุโค อดัสนีนะบาลานังนิจจจเมวะสุขีสิยาบาละั่งคตะจารีหิดีฆะมัฏฐานาโซจติดุโคบาเลหิซั่งวาโซอมิเตเนวะส บ, บาดาทีโรจะสุขสั่งวาโซยาตีนังวสมาคโมทีรันจะปัญ ญ, ญัจะปะหุตสุตันจะ โทเรหสัสีลังวะัตะวันตมริยังตังตาดิสั่งสัปุริสั่งสุเมธังพระเชษฐนักขัตตะปะทั่งวังจันดีมาการพบเห็นเหล่าอริยบุคคลเป็นการดีการอยู่ร่วมให้เกิดสุขทุกเมื่อบุคคลพึงเป็นผู้มีสุขเป็นนิทแท้จริง เพราะไม่พบเห็นผวกคนพานเพราะว่าคนเที่ยวสมาคมกับคนพานย่อมโศกเศร้าตลอดการยืดยาวนานความอยู่ร่วมกับคนพานให้เกิดทุกข์เสมอไปเหมือนความอยู่ร่วมด้วยศัตรูปราดมีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งยญาติเพราะฉะนั้นแลท่านทั้งหลาย จงคบหาผู้ที่เป็นปราฏและมีปัญญาทั้งเป็นพระหูสูตรนำธุระไปเป็นปกติมีวัดเป็นอริยบุคคลเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนพระจันทร์ส่องเสพคลองแห่งนักสัตว์เลิกฉะนั้นตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า สาหุได้แก่เป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จคือว่าเป็นความงามได้แก่กรรมอันเจริญบทว่าสันนิวาโซความว่าหาใช่เพียงการพบพระอริยบุคคลเหล่านั้นอย่างเดียวเป็นการดีไม่ถึงความเป็นคือเป็นต้นว่าความนั่งร่วมกับ พระอริยบุคคลเหล่านั้นหนะ้าที่เดียวกันก็ดีความเป็นคืออันได้เพื่อจะกระทาวัดและปฏิวัติแก่พระอริยบุคคลเหล่านั้นก็ดีเป็นการดีโดยแท้บทว่าบาลาสร้างคตาจารีหิความว่าพระผู้ใดเที่ยวร่วมกับคนพานประชุมบทว่าดีฆะมัทธานัง เป็นต้นความว่าผู้นั้นถูกสหายผู้พานพูดว่าเจ้าจงมาพวกเราจะกระทำกรรมมีอันตัดที่ต่อเป็นต้นเป็นผู้ร่วมฉันทากับพานสหายนั้นกระทากรรมเหล่านั้นต้องกรรมกรหลายอย่างมีถูกตัดมือเป็นต้นชื่อว่าย่ำโศกเศร้าสิ้นการยืดยาวนาน บทว่าส บ, บาดาความว่าคืนชื่อว่าการอยู่ในที่เดียวกันกับผู้เป็นศัตรูมีมือถือดาบก็ดีสัตว์ร้ายมีอสารพิษเป็นต้นก็ดีให้เกิดทุกข์เป็นนิดฉันใดการอยู่ร่วมกับคนพานก็ฉันนั้นเหมือนกันในบาทพระกาถาว่าเทโรจะสุขสร้างวาโซ นี้มีวิเคราะห์ว่าการอยู่ร่วมด้วยปรา์นั้นเป็นสุขเหตุนั้นจึงชื่อว่ามีการอยู่ร่วมให้เกิดสุขอธิบายว่าการอยู่หน้าที่เดียวกันกับด้วยบัณฑิตให้เกิดสุขถามว่าการอยู่ร่วมด้วยปรา์ให้เกิดสุขอย่างไรแก่ว่าเหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติฉนั้น อธิบายว่าการสมาคมแห่งหมู่ญาติอันเป็นที่รักให้เกิดสุขฉันใดการอยู่ร่วมด้วยปราดให้เกิดสุขฉันนั้นบทว่าตัสมาความว่าเพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลให้เกิดทุกข์กับด้วยบัณฑิตให้เกิดสุขฉะนนั้นแลท่านทั้งหลายจงคบหาคือว่าเข้าไปนั่งใกล้ ท่านที่เป็นปราชสมบูรณ์ด้วยปัญญาและผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นโลกิยะและโลกุตระซึ่งชื่อว่าผู้มีปัญญาและผู้ถึงพร้อมด้วยอาคมและอธิคมที่ชื่อว่าพระหูสูตรผู้ชื่อว่านำธุระไปเป็นปกติเพราะความเป็นผู้มีอันนำธุระไปเป็นปกติคือให้ถึงพระอรหันต ผู้ชื่อว่ามีวัดเพราะวัดคือศีลและวัดคือทุดงผู้ชื่อว่าอริยะเพราะความเป็นผู้ไกลาจากกองกิเลสผู้สัตตบรุษผู้มีปัญญา ง, งามเห็นป่านนั้นเหมือนพระจันทร์ส่องเสพอากาศที่กล่าวกันว่าคลองแห่งนักสัตว์เลิกอันไม่มัวหมองฉะนั้นในการจบเทศนา คนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วดังนี้แลเรื่องท้าวสกัดจบ